3. อิมัตสมิงธรรมวินัยเยอัตถัตฉะเรียะว่าด้วยความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัยแประการภิกษุ ทั้งหลายในธรรมวิไนนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการที่พวกภิกสุพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิไยนี้เหมือนกันธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการคือ 1. ในธรรมวิไยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ำไปโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ในธรรมวิไนนยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับมีการบาเพ็ญไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวิไนนนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดี ในธรร ม, มวิเนนี้ 2. ส, สาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเหมือนน้ําในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งภิกษุทั้งหลายข้อที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในธรร ม, มะวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรร ม, มะวินัยนี้ 3. บุคคลใดทุศีลมีบาปกรรมประพฤติไม่สะอาดหน้ารังเกียจปกปิดพฤติกรรม ไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในเปียกชุ่มเป็นดุจอยากเยื่อสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคล น, นั้นสงย่อมประชุมกันนำบุคคล น, นั้นออกไปทันทีแม้บุคคล น, นั้นจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสง์ ก็ยังห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากบุคคล น, นั้นเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัตทซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลใดทุศีลมีบาปธรรมประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดพฤติกรรมไม่ใช่สมณนะ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 ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากบุคคลนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 4. วันนะสเหล่านี้คือกษัตริย์พราม แพทย์สูตรออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ถถาคตรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมรวมเรียกว่าสมณะเชื้อสายสากยบุตรทั้งสิน้นเหมือนมหาณทีทุกสายคือคงคายามุนาอจิระวดีสรพูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อและโคดเดิมรวมเรียกว่ามหาสมุททั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายข้อที่วั น, นสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พรหมแพทย์สูตรออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมรวมเรียกว่าสมณะเชื้อสายสากยบุตร นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในธรร ม, มะวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรร ม, มะวินัยนี้หแม้ถ้าภิกษุจำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพาาธาตุก็ไม่ทำให้นิพานพร่องหรือเต็มได้ เหมือนแม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่แม้ถ้าภิกษุจําจำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็ไม่ทำให้นิพานพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าในธรรมวิไนน์นี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิไนน์นี้หกธรรมวิไ น, นัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มภิกษุทั้งหลายข้อที่ธรรมวิไนน์นี้ มีรถเดียวคือวิมุตติรถนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หกในธรรมวินยัยที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 7. ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐานสี่ สัมมาประทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชงเจ็ดอริยมัตมีองค์แปดเหมือนมหาสมุทมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณนีแก้วไพฑูนสังศิลาประพานเงินทองทัพทิม แก้วตาแมวภิกษุทั้งหลายข้อที่รรมวินัยนี้มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐานสี่สั ม, มปัะทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมัคมีองแปดนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจ็ด ในธรรมวิเนยที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิเนยนี้ 8. ธรรมวิเนยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรลุโสดาปฏิผลพระสกิทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อบรุษสกิทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิติมิงคละปลามาหาติมิงคละอสูร นาคนทันมีลำตัวหนึ่งร้อยโยตบ้างสองร้อยโยต์บ้างสามร้อยโยตบ้างสี่ร้อยโยตบ้างห้าร้อยโยตบ้างภิกษุทั้งหลายข้อที่ท ร, รมะวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรุโสดาปฏิผล พระสกิทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรลุสกิทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรลุษอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อบรลุษอรหัตผลนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดในธรรมวิเนยที่ภิกษุทั้งหลาย พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิเนยนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ายิ่งปิดยิ่งรั่วเปิดแล้วไม่รั่วเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปิดเมื่อเป็นดังนี้แล้ว สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รั่ว